กล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐคํากล่าวนี้นะยังไม่ครบถ้วนนะมนุษย์เราจะเป็นสัตว์ประเสริฐได้นี้ต้องมีการฝึกฝนนุษย์เรานี่ถ้าไม่ฝึกฝนเนี่ยมันเป็นสัตว์ประเสริฐไม่ได้นะโดยเพราะการฝึกฝนจิตใจนะถ้าไม่ฝึกฝนไม่ขัดเกลา ก็อาจจะทำความเดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นหรือว่าสร้างความหายนะยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายอย่างเช่นสงครามที่เกิดขึ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็อีกหลายครั้งนี่คนตายกันเป็น70ล้าน มีการเอาคนยิวไปเข้าค่ายกักกันลมควันตายกัน6ล้านคนอันนี้ไม่มีสัตว์ชนิดใดทำได้นะนอกจากคนาการที่คนทำงั้นได้นี่ก็เป็นเพราะาใช้เทคโนโลยีวิชาความรู้ไปในทางที่ผิดอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ฝึกฝนจิตใจนะให้ ประเสริฐการฝึกฝนเนี่ยนะมันทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐได้แล้วพูดถึงการฝึกฝนก็มีสองอย่างใหญ่ๆนะฝึกฝนกายกับใจการที่จะฝึกฝนกายกับใจได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ถึงธรรมชาติของกายและใจนะซึ่งก็มองได้หลายแง่นะ สมอในแง่หนึ่งเนี่ยกายกับใจนี่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีธรรมชาติที่ตรงข้ามกันก็ว่าได้นะกายนีนะ่มันมีน้ำหนักช่างตวงวัดได้เป็นกิโลกิโลจับต้องได้แต่ใจนี่มันไม่มีน้ำหนักจับต้องก็ไม่ได้อยู่ตรงไหนนี่ก็ไม่รู้เลยนะคนว่า อยู่ที่สมองมก็ไม่ใชนะ่เราไม่รู้ว่าใจอยู่ไหนแต่ว่ามันมีอยู่กายเนี่ยลิศไซน์หนึ่งของกายคือว่ามันชอบอยู่เฉยๆชอบนิ่งๆนะถ้าได้นั่งถ้าได้นอนเนี่ยกายจะชอบมากเลยแต่ใจนี่ตรงข้ามนะใจมันชอบนะทำโน่นทำนี่นยะมันอยู่นิ่งไม่เป็นนะใจเนี่ย จะให้นิ่งนี่ก็เหมือนกับว่าทรมานมากไม่ต้องทำโน่นทํานี่สารพัดนะเั้นการฝึกกายเนี่ยนะกับการฝึกใจนี่จะว่าไปมันก็ไปคนละทางเหมือนกันนะเวลาลฝึกกายก็ต้องฝึกให้มันทํานะฝึกเช่นฝึกออกกําลังกายเนี่ยคนไม่ออกกาลังกายหรืออยากจะนั่งนิ่งๆดูโทรทัศน์หรือว่านั่งเฉยๆนะก็ต้องฝึกให้เขานะทำโน่นทนํานี่ออกกําลังกายเป็นต้น นะแล้วถ้าไม่ออ ก, กําลังกายนี่ก็ร่างกายนี่ก็จะแยนะ่เดี๋ยวนี้ก็มีโรคมากมายที่เกิดจากการที่ไม่ออกกำลังกายนะเรียกว่าโรคขี้เกียจนะเรียกรวมๆกันโรคที่เกิดเพรา ะ, ะการไม่ออกกำลังกายเนี่ยโรคหัวใจโรคเบาหวานนะอาจจะรวมเโรคมะเร็ง โ, โรคปวดเมื่อยอันนี้ก็ เรียกลมเราว่าเกิดเป็นโรคขี้เกียนะจนะดังการฝึกกายถือว่าต้องเขี่ยวเข็นให้เขาออกกําลังกายส่วนการฝึกใจนี่ตรงข้ามนะต้องฝึกให้เขาเนี่ยรู้จักนิ่งบ้างนะเพราะว่ามันทำโน่นทํานี่สารพัดนะแล้วก็มักจะเอาความทุกข์มาใส่ตัวไอ้เรื่องที่ควรจะลืมก็เก็บเอามาคิดอยู่นั่นแหละ ให้หลวงที่ไม่ควรคิดนะก็คิดไปคิดมาจนวกวกอกวนคิดซ้ำคิดซ่ากินไม่จนนอนไม่หลับนะคนที่นอนไม่หลับนี่รู้ดีเลยนะว่าจิตเนี่ยมันทำโน่นทนํานี่มันไม่ยอมอยู่นิ่งนะกายเนี่ยอยู่นิ่งแล้วแต่จิตไม่ยอมอยู่นิ่งนั้นการฝึกจิตเนี่ยคือการทําสิ่งที่ตรงข้ามกับนิสัยของมันก็คือว่าฝึกให้มันนิ่งซะบ้างนะ แล้วเราก็รู้นะว่าไม่ว่าจะเป็นการเขี่ยวเข็นให้กายออกกำลังก็ดีหรือว่าการฝึกจิตให้มันอยู่นิ่งก็ดีนะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องยากนะเพราะว่าทวนกระแสะความเคยชินของมันกายเนี่ยนะมันพราเหตุที่ว่าไม่ชอบทำอะไรนะมันก็เลยชอบวางนะวางจะให้มันแบกอะไรมันไม่ชอบแบกนะ การออกกำลังกายส่วนคือการที่ฝึกให้กายในแบกเช่นแบกน้ําหนักยกน้ําหนักนะยิ่งยกน้ําหนักก็ยิ่งแข็งแรงนะแต่ใจเนี่ยนะในขณะที่กายเนี่ยไม่ชอบแบกนะใจนี่มันชอบแบกนะชอบแบกชอบยึดนะแบกเอาปัญหาสารพัดผ่านไปแล้วเรื่องราวผ่านไปแล้วก็ยังเก็บมาแบกเอาไว้ให้เรื่องที่มาไม่ถึงก็แบกเอาไว้นะ ถ้าเกิดอะไรขึ้นนะเกิดความทุกขนะ์การฝึกจิตนะด้า น, นก็คือการฝึกให้มันปล่อยให้มันวางนะซึ่งก็ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าใจนี่มันชอบแบบนะเราก็คงรู้ว่ามันมันไม่ยากามันไม่ง่ายเลยนะในการที่จะทําให้ใจนี้ปล่อยใจนี้วางแต่ก็จําเป็นนะสำคัญ ในขณ ะ, ะที่เราฝึกกายให้มันต้องแบกโน่นแบกนี่เพื่อให้มีพลังกำลังการฝึกใจให้ปล่อยให้วางเนี่ยกลับช่วยทําให้จิตนี่มีพลังนะมันแปลกนะตรงข้ามนะร่างกายนี่ต้องแบกต้องทำโน่นทํานี่มันถึงจะมีความแข็งแรงมีเรียวมีแรงมีกําลังวังชาแต่ใจเนี่ยนะมันต้องปล่อยต้องวางให้มากขึ้น ยิงอยู่นะใจก็ต้องเราต้องใช้ใจทำโน่นทํานี่เหมือนกันนะแต่ว่าที่ผ่านมามันทํานอกคําสั่งนะมันทําเกินเลยไปเราบอกให้หยุดสักทีจะนอนแล้วไม่ต้องคิดแล้วมันก็ยังคิดคิดสารพัดหรือแม้แต่เวลาเราเนี่ยมาเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยถ้ากราบมันได้ก็อยากจะกราบนะบอว่าให้หยุดคิดได้แล้วให้อยู่นิ่งๆมันไม่ยอมหยุดนะมันก็จะคิดด้วยเปื่อยนะมันทําเกินเกินสั่ง เพราะเป็นธรรมชาติของเขานะและการปฏิบัติเนี่ยก็คือการที่ทวนกระแสทนะวนที่สายของจิตมันชอบทํโน่นทํานี่ก็ให้มันนิ่งบ้างมันชอบแบกก็ให้มันปล่อยให้มันวางบ้างแล้วมาดูมาสังเกตนะ อ, อคนเราเนี่ย ในขณะที่ใจเราเนี่ยนะมันแบกมันไม่ค่อยวางเท่าไหร่นะปัญหาของความทุกข์ของคนเราเนี่ยในจิตใจเนี่ยเกิดจากการที่เราจิตใจเราชอบแบกนะไม่ค่อยปล่อยไม่ค่อยวางแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยปัญหาทางโลกที่เกิดขึ้นกับผู้คนจานวนมากเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่ากายเนี่ยนะเวลามันวางเนี่ยมันวางไม่เป็นที่ คนเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาหยิบอะไรน่ะไม่ค่อยมีปัญหานะหยิบข้าวหยิบของเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาคือรู้ว่าจะหยิบอะไรยกเว้นคนที่มือไวไอ้พวกนี้เนี่ยอันนี้ก็หยิบโนนหยิบนี่จนกระทั่งไม่รู้ตัวก็มีอันนี้ก็ยกไวเพราะเป็นคนกลุ่มน้อยประเภทมือไวนะเข้าไปในห้างเนี่ยหยิบโดยที่ไม่รู้ตัวก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราหยิบเนี่ยเรารู้ตัวเวลาเราถือเนี่ยเรารู้ตัว แต่ปัญาคืเวลาเราปล่อยเราวางเนี่ยนะเราวางของอะ่ะเรามักจะมีปัญหาการวางของคือวางแล้วไม่รู้ว่าวางไว้ไหนนะเราไม่รู้ว่าวาง ไ, นะาไว้าวาไหนนะปัญหาของคนเราในชีวิประจำวันเกิดจากการที่วางเรื่อยเปื่อยวางกุญแจบ้างละนะวางกระเป๋าเงินบ้างละ วางโทรศัพท์บ้างละ่ะไม่รู้วางไว้ตรงไหนถึงเวลาจะหาก็หาไม่เจอนะอันนี้เรื่อมีปัญหาจากการวางนะไม่รู้ตัวนะเวลาวางแต่ใจนี่นะมันมีปัญหาคือมันแบกโดยไม่รู้ตัวแบกโน่นแบกนี่สารพัดนะแบกก็เป็นทุกข์นะแต่ว่าก็ยังแบกทําไมนะ เพราะไม่รู้ตัวนะลองดูดีๆนะมันมันมันตรงยิงข้างไปนะไอ้กายเราเนี่ยมันวางมันวางของโดยไม่รู้ตัวแล้วก็เลยเกิดปัญหานะส่วนใจเนี่ยมันชอบจะแบกอะไรต่ออะไรโดยไม่รู้ตัวดังนั้นเวลาเราจะฝึกกายฝึกใจเนี่ยนะในด้านนึงก็ต้องฝึกฝึกใจให้รู้จักวางบ้าง หรือว่าฝึกใจอย่าให้แบกอะไรพร่ำเพื่อนะจะยึดจะถืออะไรก็ให้รู้ตัวนะแล้วก็ถ้าวางได้เป็นดีนะแต่ว่าถ้าไม่อยากมีปัญหาเรื่องการวางก็ควรจะฝึกตั้งแต่เรื่องแบกแล้วอะไรบ้างที่ควรแบกนะเช่นเวลาทำงานเนี่ยนะเวลาทำงานใจเราก็อยู่กับงาน ส่วนใจล้วก็อยู่กับ ง, งานข้างหน้านะส่วนงานที่รออยู่ที่ค้างคาอยู่มีกี่สิบชิ้นก็ยังไม่ต้องเก็บเอามาคิดยังไม่ต้องแบกมันหลายคนเนี่ยเวลาทำงานนี่งานที่กำลังทำอยู่ก็ยากอยู่แล้วนะก็ยังไปห่วงกังวลถึงงานอีกเจ็ดแปดชิ้นที่รออยู่นักศึกษาก็เหมือนกันโอ้ ทำรายงานทำไปกุ้มไปไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่กําลังทํานี่มันยากแต่เพราะว่ามันมีอีก78ชิ้นที่รออยู่อันนี้เรียกว่าแบกนะแบกโดยไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นงานทุกข์เครียดท้อนั่นคือความทุกข์ใจนะที่เกิดจากการแบกโดยไม่รู้ตัวใจนะแบกไม่รู้ตัวแต่ปัญหาอีกด้านนึ่งก็เกิดจากการที่มือเราเนี่ยนะมันวาง อะไรต่ออะไรโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนั้นการฝึกอย่างหนึ่งนะที่เราจะอยากจะแนะนําให้เราลองฝึกนะก็คือ ว, ว่าเวลาเราจะวางของอนะเวลาเราจะวางอะไรก็ตามเนี่ยให้วางด้วยความรู้ตัวให้กําหนดสักหน่อยไม่ว่าสิ่งที่วางนี่จะเป็นเสื้อผ้ายาสีฟันนาฬิกานะ เราก่อนจะวางนี่กําหนดสักหน่อยนะแล้วก็วางถ้าทํางี้เนี่ยนะเวลาเวลาจะนึกว่าเอ้ยเราวางของไว้ที่ไหนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะจําได้ได้ง่ายกว่าจะไม่มีปัญหาว่าวางของไว้ที่ไหนกุญแจนะกระเป๋าเงินโทรศัพท์นะนี่เป็นปัญหาคนในเมืองมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราวางของกันเรี่ยราดมากแล้วก็ บ้านนี้ก็เต็มไปด้วยข้าของเวลาจะหาก็หาไม่เจอไม่รู้วางไว้ตรงไหนนะถ้าบ้านนี้ไม่มีอะไรนะมีทรัพย์สมบัติไม่กี่อย่างเนี่ยมันหาง่ายถึงแม้ว่าจะวางโดยไม่รู้ตัวเนี่ยแต่เวลาจะหาเนี่ยมันก็จะหาง่ายแต่เดี๋ยวนี้ของก็เยอะนะแล้วบ้านก็รกนะถึงเวลาจะหาก็ไม่รู้จะหาตรงไหนเพราะจําไม่ได้ว่าวางไว้ตรงไหน นี่เวลาเราจะวางของนี่เราก็วางกําหนดสักหน่อยนะว่าจะวางก่อนจะวางช้อนวางวางกระเป๋าวางนาฬิกาหรือว่าวางเสื้อผ้าหรือว่าผ้าเช็ด ต, ตัวเนี่ยก็อย่าเพิ่งทําไปโดยอัตโนมัตินะกำหนดสักหน่อยลองช้าลงสักนิดแล้วก็วางมันจะเป็นวิธีการฝึกสติได้มากทีเดียวนะนอกเหนือจากการที่ช่วยทําให้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราน้อยลงจากการที่หาข้าวหาของไม่เจอ ถ้าทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะเราจะจะหาของแล้วก็นึกได้ว่าวางไว้ที่ไหนแล้วก็เป็นการฝึกสติด้วยนะเพราะว่าเวลาเราวางแต่ละครั้งเนี่ยเราจะมีสติ ก, กับการวางแล้ววันนึงเนี่ยเราวางของกี่ครั้งนะถ้านับดูนะโหมีเป็นร้อยนะวางปากกาวางนาฬิกาวางช้อนวางซ่อมนะวางสบู่แค่ฝึก จากการฝึกให้มีสติในการวางนะนะโอ้มันก็สร้างตัวรู้ขึ้นมารู้รู้รู้รู้สร้างควารู้สึกตัว ข, ขึ้นมาได้เยอะนะอันนี้เราว่าฝึกสติด้วยการวางของอย่างมีสติอย่างให้เป็นที่ส่วนใจเนี่ยก็ต้องฝึกนะว่าให้รู้จักแบกให้รู้จักยึดให้รู้จักถือเนี่ยนะอย่างรู้ตัวสักหน่อยนะ เวลาจะจะทำอะไรเนี่ยใจก็อยู่กับสิ่งนั้นนะ๋ยวเพิ่งไปถืออะไรมากมายนะ๋ยวเพิ่งไปแบกอะไรมากมายเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างอันเนี้ยนะมันเป็นการวิธีมันเป็นวิธีฝึกใจได้ดีถ้าเราพิจารณาดูนะการปฏิบัติเนี่ยโดยเพราะการฝึกใจเนี่ยมันก็คือการทวนกระแสนะความเคยชิน ใจมันชอบคิดสารพัดเราก็ฝึกให้มันรู้จักวางบ้างหยุดคิดบังใจมันชอบทำโน่นทานี่ก็ฝึกให้มันนิ่งๆบ้างนะใจมันชอบแบกชอบยึดก็ฝึกให้มันวางอาการเจริญสติเนี่ยนะสาระหรือแก่นแท้มันก็คือฝึกให้รู้จักวางนะที่แรกวางด้วยสตินะคือที่ไปยึดที่ไปแบกเนี่ยเพราะไม่รู้ตัว พอมีสติปุ๊บมันวางเลยอย่างเช่นเราสังเกตุว้าเวลาเราเดิ น, ดนจงกรมสร้างจังหวะโอ้มันคิดสารพัดเลยคิดเป็นเรื่องเป็นลาอ น, นั่นเรียกว่ายึดแล้วนะจิตมันไปยึดเอาไว้แล้วก็กปรุงต่อไปพอเรามีสติรู้ทันว่าเราเผลอคิดไปนะมันวางได้เองเลยนะแต่สักประเดี๋ยวเดียวมันจะคิดต่อนะเพราะว่าไอ้เรื่องที่เราคิดนี่มันมีกําลังมันมีแรงแต่ว่าสติเรายังอ่อนเหมือนกับ รถที่กําลังวิ่งเร็วๆเนี่ยนะเราแตะเบรคครั้งเดียวเนี่ยมันมันชะงักสักหน่อยแล้วมันก็ไปต่อนะเราต้องแตะเบรคหลายครั้งบางครั้งไอ้สิ่งที่เราคิดเรื่องที่เราคิดเนี่ยโหมันมันมีเรื่องอารมณ์ผูกพันเข้ามามากมันก็เลยคิดนะมีมีเรื่องมีรวลาในการคิดมากมันเกิดโมเมนตัมนะสติอ่อนๆเนี่ยจะยังชะลอมันไม่ได้แต่เบรคมันไม่ได้แค่ชะลอนะแต่ว่าถ้าเรามีถ้าเรามีสติ รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้มันหยุดลงได้หรือว่าวางลงนะมันไม่ใช่เป็นการห้ามคิดนะแต่มันเป็นแค่การการวางความคิดนะอันนี้เป็นการฝึกให้วางนะที่แรกวางด้วยสตินะต่อไปเนี่ยมันจะวางด้วยปัญญานะคือปัญญาที่เห็นว่ามันไมน่ไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้หลือสักอย่างบางที เราเสียดายของนะเงินของที่หายเงินที่ถูกโกงนะแล้วเราก็คุนคิดถึงมาอยู่นั่นแหละแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีปัญญาเห็นว่าโอมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสักอย่างนะอย่างที่เราสวเมื่อสักมเมื่อสักครู่เนี่ยนะเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำั้งปวงเป็นอนัตตานะเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยในยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานะเป็นธรรมบทจด คือพอเห็นด้วยปัญญานี่มันก็จะวางได้เองนะที่จริงเนี่ยจะเรียกว่าวางก็ไม่ได้ก็คือมันมันไม่ยึดนะมันไม่รู้มันรู้ว่ายึดไม่ได้และไม่น่ายึดเลยมันก็มันก็ไม่ยึดนะเมื่อไม่ยึดก็ไม่มีความจำเป็นต้องวางแล้วการเจริญสติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่าขั้นไหนก็ตามเนี่ยถ้าทําถูกนะีมันจะช่วยทําให้ใจเราวาง จะมีนิสัยที่วางได้ง่ายนะไม่ใช่วางแต่พืชตะเพือ น, นะถึงเวลาจะคิดมันก็คิดได้ถึงเวลาจะใคร่ครวญมันก็เหือนจิตมันก็มันก็ว่าเอาสิง่งเอาสิ่งที่เอาสิ่งที่จะเอาสิ่งที่จะมาศึกษาพิจารณาเ น, นี่ยเหมือนกับว่าเราถือเราถือของอยู่ในมือเนี่ยนะเราก็ดูมันนะเวลาเราจะดูอะไรสักอย่างเช่นดูของเนี่ยเราก็ถือไว้ในมือแล้วเราก็หมุนไป ร, บรอบๆดูมันไป ร, บรอบๆนะ อันนี้แปลว่าเนี่ยเรากำลังถือมันเพื่อพิจารณาถึงเวลาที่จะใช้จิตทำงานเพื่อพิจารณาอะไรเนี่ยนะมันก็จะพิจารณาได้ไม่ใช่ว่าปล่อยแต่พื้นตพือนะเวลาจะคิดเรื่องงานเรื่องการก็คิดได้คิดได้รอบด้านเหมือนกับเราดูของรอบด้านนะแต่ถึงเวลาเราจะวางนะเช่นพอเสร็จงานแล้วเราจะวางเรื่องงานเรื่องการเราก็วางได้ มันคิดต่อเมื่อตั้งใจคิดแล้วก็มันจะวางได้เมื่อเสร็จกิจนะเ น, นี้ยการภาวนาเนี่ยการจลสติเนี่ยมันช่วยให้เรามีนิสัยแบบนี้เป็นนิสัยใหม่นะไม่ใช่แบกแต่พือ่อเพือจนวางไม่เป็นนะถึงเวลาเราจะวางเราก็วางได้นิสัยอย่างหนึ่งของจิตนะที่มักจะเป็นปัญหาคือว่าชอบส่งชอบ มองไปข้างนอกตัวมีปัญหาอะไรเนี่ยก็มองไปข้างนอกอย่างเดียวนจนกระทั่งลืมกลับเข้ามาดูข้างใ น, นมีปัญหาอะไรเนี่ยเออาก็จะมองไปข้างนอกหรือโทษสิ่งนอกหลวงพ่อชาเนี่ยท่านพูดว่าเนี่ยคนเป็นร้อยเป็นพันนั้นนะเวลาเอามือล่วงเข้าไปในหลุมอ่ะนะถ้าล่วงไม่ถึงนะไม่ถึงก้นหลุมนะ ก็บังจะพูดว่าหลุมมันลึกแต่ไม่เคยไม่เคยมีใครบอกเลยว่าเออแขนเรามันสั้นใช่ไหมเรามักโทษว่าหลุมลึกแต่ไม่เคยมีใครโทษว่าละแขนเรามันสั้นนะอันนี้มันสะท้อนถึงวิธีคิดของคนนะหรือว่านิสัยของคนก็คือไปเพ่งข้างนอกไปโทษข้างนอกนะการปฏิบัติคือการที่กลับมาดูใจนะกลับมาดูตัวเองนะ มันมีเรื่องเล่านะอันนี้เป็นเกิดประวัติของท่านเวยหลางนะเมื่อสองปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ไปวัดกวงเซี่ยวกับคุณหมอตู้แล้วก็อีกหลายคนนะวันนี้เนี่ยมีชื่อมากเพราะว่าเมื่อประมาณพันเท่าไปีที่แล้วน ะ, ะท่านประมาณนั้นนะ น, นะท่านเวยหลางได้ได้มาที่วัดนี้ตอนนั้นยังเป็นคาราวาสอยู่แต่ว่า ภูมาธรรมเนี่ยเป็นที่ยอมรับของอาจารย์นะถึงกับยกตำแหน่งสังฆปรินายกองค์ที่6ให้แต่ว่าท่านก็ต้องหนีหนีภัยนะก็มาที่กวางโจเนี่ยก็มาที่วัดกวงเซี่ยวตอนที่มาถึงนี่ก็กาลังมีการแสดงธรรมโดยอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งคนก็แน่นศาลาเลยนะล้นออกมาข้างนอกระหว่างที่อาจารย์แสดงธรรมเนี่ยก็บังเอิญ คนที่อยู่ข้างนอก น, นี่ก็เห็นธงมันไหวมันพลิ้วก็มีคนหนึ่งพูดเข้ามาเออธงมันไหวนะอีกคนหนึ่งเถียงนะไม่ใช่ธงไหวนะลมมันไหวตั้งหางทีแรกก็เถียงกันหนึ่งตอนหนึ่งนะตอนหลังก็มีคนมาร่วมเถียงกันเยอะโต้เถียงกันแต่และคนก็มีเหตุผลแต่และฝ่ายก็มีเหตุผลนะธงไหวอีกฝ่ายนึงก็ว่าลมมันไหวแล้วก็เถียงไปเถียงมาคนก็ แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคราวนี้มันไม่ใช่แค่โตไม่ใช่แค่โตนะมันหรือเทียงนะมันเริ่มจะทะเลาะ ก, กันแล้วนะลงกันไม่ได้สักทีว่าตวลงทงทงไววหรือลมไหวจู่ๆก็มีเสียงดังมาจากท่านเวรหลางเนี่ว่านะใจท่านต่างหากที่ไหวนะคนนี่ได้สติเลยนะได้สติเลยนะ คือตอนนั้นเนี่ยลืมดูใจนะไปเถียงกันนั้นว่าธงไหวหรือลมไหวลืมดูใจว่าตอนนั้นใจเนี่ยกำลังเพิ่มใจนี่มันกําลังจะโกรธนะแต่ไม่ได้วยความโกรธนะไปเถียงว่าลมไหวหรือธงไหวมีประโยชน์อะไรนะถ้าหากว่าไม่รู้ว่าใจไหวไม่รู้ใจกําลังมีโทสะนะนสิ่งที่ท่านว่หลังพูดเนี่ยมันมันเป็นการเตือนใจให้คนเราเนี่ยหันกลับมาดูใจนะอย่าไปส่งจิตออกนอกนะ จนกระทั่งลืมตัวให้กลับมาดูใจนะแล้วเป็นเพราะเราไม่ค่อยดูใจเนี่ยนะเราถึงเราถึงมีความทุกข์ได้ง่ายและพอมีความทุกข์แล้วเราก็จะโทษโทษสิ่งนอกตัวนะทำไมรถมันติดอย่างนี้นะวันอาทิตย์ก็ยังติดเลยนะโมโห แต่ถ้าเราฝึกใจดีนะัเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าแล้วเราโกรธทำไมเราโมโหทำไมพราะรถติดนะทำไมเราต้องหงุดหงิดพรารถติดด้วยนะหลายคนมักจะโกรธ ว, ว่าเนี่ยเขาไม่เข้าใจเราเลยนะเขาไม่เข้าใจฉันเลยนะแล้วเราเคยถามตัวเองมาแล้วเราเข้าใจเขาหรือเปล่าหรือว่าเราเข้าใจตัวเราเองบ้างไหมเนี่ยที่เราเรียกร้องให้คนอื่นเข้าใจเราเนี่ย เราเข้าใจตัวเราเองบ้างหรือเปล่านะเราอยาให้คนอื่นรู้ใจเรานะเขาไม่รู้ใจเราเลยทำไมเ็าทำแบบนี้แล้วเราถามตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าเรารู้ใจตัวเองบ้างไหมเรามักจะบ่นว่าเนี่ยทำไมเ็าพูดอย่างนีนะ้พูดอย่างนี้ได้ยังไงนะแต่เราเคยถามเคยทวงตัวเองไหมว่าเออทำไมถึงต้องโกรธเพียงเพราะคำพูดแบบนี้ของเขา นะถ้าเราลองถามด้วยการท้วงตัวเองบ้างนะเราจะพบว่ามันไม่มีอะไรมันไอที่ไอที่โกรธที่ที่โมโหเนี่ยนะมันไม่ใช่ใครเป็นแต่เป็นพ่อเรานะแต่เป็นพราะเราไม่ค่อยท้วงไม่ค่อยทักตัวเราเองพอมีความทุกข์ก็ไปโทษคนนั่นคนนี้นะ ฝนตกก็โมโหนะทำไมมันฝนตกไม่เป็นเวลาแต่ถ้าเราลองถามตัวเองว่าเออทำไมต้องไปทุกข์เพราะฝนตกไม่เป็นเวลาด้วยนะเลยพบว่าหลายครั้งไอ้ความทุกข์ของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่สมควรที่จะทุกข์นะเราเรียกร้องคนอื่นตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเรียกร้องตัวเราเองเราเรียกร้องคนอื่นว่าอย่าทาอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะทำแล้วจะทุกข์ แต่เราไม่เคยเรียกร้องหรือทักท้วงตัวเองว่าเออทําไมเราถึงทุกข์เพราะเหตุนั้นทำงานเราจะไม่ทุกข์นะเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วเรากลับมาดูใจของเราอยู่เรื่อยๆเราจะพบว่าไอความทุกข์ใจเนี่ยมารู้แล้วแต่มีเหตุปัจจัยหลักอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจของเรานะเสียงดังไม่ทําให้เราทุกข์นะแต่เป็นเพราะใจของเราต่างหาก แทนที่จะโมโหหรือว่าโวยวายไปทำไมถึงเปิดเสียงดังอย่างนี้นะเรามาถามตัวเองว่าเออทำไมเราต้องทุกข์นะเพราะเสียงแบบนั้นด้วยมนะแล้วเราจะพบว่าอ๋อที่เราทุกข์เนี่ยมันเพราะใจของเรานะไม่ใช่เพราะเสียง ไม่มีใครขโมยความสุขไปจากใจเราได้นะถ้าใจเราไม่ไม่ร่วมมือนะหรือไม่เปิดทางนะอย่างที่บอกเวาลาเนะีเมื่อเมื่อเมื่อางวันนะว่าเมื่อใดที่เกิดการกระทบนะกระทบหรือว่าเกิดการเกิดผัสสะไม่ว่าทางตาทางหูไม่ว่ า, า, า, า, วารูปหรือเสียงนะเมื่อมันเมื่อเกิดการกระทบขึ้นแล้วก็มันหยุด อยู่ที่ตัวรู้นะมันก็ไม่มีทางที่จะกระเทือนมาถึงใจเราได้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินนะเห็นก็รู้ว่าเห็นได้ยินก็รู้ว่าเห็นได้ได้ยินนะมันก็จะหยุดอยู่ตรงแค่นั้นแหละมันจะไม่พุ่งเข้ามากระแทกใจเราแต่เพราะว่ามันไม่มีตัวรู้เนี่ยไปไปรับมือนะ เมื่อเกิดผัสสะขึ้นมามันก็เลยกระแทกอันนี้เรียกว่าใจเราเปิดช่องนะเปิดช่องให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาตบมือข้างเดียวไม่ดังนะตบมือข้างเดียวไม่ดังตบมือข้างเดียวไม่ดังเป็นสำนวนแปลว่าทาฝ่ายเดียวไม่เกิดผลหรือว่ามีเหตุปัจจัยเดียวเนี่ยย่อมไม่เกิดผลนะถ้ามีมือข้างเดียวเนี่ยเสียงมันไม่ดังจกว่าจะมีมือสองข้าง ถ้าฝ่ายหนึ่งดา่าอีกฝ่ายหนึ่งเงียบมันก็ไม่เกิดการทะเลาะ ก, กันต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งดา่าอีกฝ่ายหนึ่งก็เถียงด้วยนะมันก็เกิดการทะเลาะ ก, กันขึ้นมาในตองเดียวกันถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งดา่าอีกฝ่ายหนึ่งเฉยนะไม่ไปต่อรอดต่อเถียงมันก็ไม่ทุกนะอย่างที่ได้เล่านะที่หลวงพ่อชาบอกว่าเนี่ยโยมโยมไปคิดว่า เสียงมาลบกวนเราน่ยแต่ที่จริงอ่ะเราไปลบกวนเสียงต่างหากความทุกข์เกิดขึ้นมาใจเนี่ยไปทะเลาะเบาแหวงกับเสียงนะพอใจไปทะเลาะเบาแหวงกับเสียงมันก็ทุกเลยนะถ้าเสียงมาแต่ใจไม่ไม่ไมไมทะเลาะด้วยนะมันก็ไม่ทุกใจนะดังเวลาทุกข์ใจนี่ยอย่าไปโทษอย่าไปโทษเสียงนะต้องไปโทษว่าเออเราไปทะเลาะกับมันทําไมใจเราเนี่ยไปทะเลาะกับเสียงนั้นทําไมนีม่เรีาตบมือข้างเดียวไม่ดังเนะี่ย เสียงมันจะดังแค่ไหนเสียงเกีย้ยมันจะดังแค่ไหนถ้าแม้เอาหูไปรองเกีย้ยมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมนะอันนี้หลวงปู่บุต ด, ดาท่านสอนเอาไว้ท่านเตือนลูกศิษย์ว่าเป็นพ่อหูไปรองเกีย้ยเองนะถึงจะทุกข์นะเสียงไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ตัวการแต่เพราะใจต่างๆนะใจที่ไม่มีสติก็เลยเอาหูไปรองเกีย้ยนะใจที่ไม่มีสติก็เลยไปทะเลาะบบาแวงกับเสียงนะ ให้เราลองทำใจให้นิ่งดูนะใจสงบดูนะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าปัญหาธรรมชาติของใจเนี่ยมันมันมันไม่ชอบอยู่เฉยนะมันไม่ชอบอยู่เฉยมันชอบทำโน่นทำนี่มีเสียงเกีย้ยมันก็เอาหูไปลองเกีย้ยมีเสียงดังก็ไปทะเลาะบอแบงกับเสียงเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นทุกนะแล้วถ้าเราเพียงแต่ทำให้ใจนิ่งนะใจนิ่งเนี่ยมันก็ไม่เกิดความทุกข์ใจ แต่ว่าธรรมชาติของใจอย่างที่บอกมันก็ชอบไปโต้เถียงชอบไปมีมีปฏิกิริยานะกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่สัมผัสไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมเวลาปวดเวลาเมื่อยกัเหมือนกันนะกายมันปวดมันเมื่อยเนี่ยก็ธรรมดาของมันแต่ว่าใจเนี่ยไปสู้รบตบมือ ก, นะกับความเจ็บปวดมันก็เลยไม่ได้แคบ ป่วยกายเท่านั้นป่วยใจด้วยนะใจก็ทุ ก, กเกิดโทสะถ้าเพียงแต่ว่าใจเนี่ยฝึกใจให้มันดูเฉยเฉยกายจะปวด ย, ยังไงใจก็แค่ดูเฉยเฉยเนี่ยใจไม่ทุกนะใจไม่ทุกแต่ว่าใจมันไม่ยอมดูเฉยเฉยใจมันจะเข้าไปร่วมวงด้วยมันจะไปร่วมทุกข์ด้วยมันจะไปจมทุกข์ด้วยนะอันนี้ก็แปลกนะ เวลามือเราเนี่ยถูกของแหลมนะถูกไฟนะถูกถูกน้ํานี่นะมันรีบถอนเลยนะมันรีบถอนนิ้วถอนมือออกมาจากน้ําจากไฟแต่ว่าใจเนี่ยนะเวลามันถูกเวลามันเจอไฟโถสานะไฟโกรธไฟพยาบานะโอ้มันมันคลุกคล้าอยู่กับอยู่กับไฟนั่นแหละนะ มันก็จะโกรธเป็นวันเป็นคืนทั้งทั้งที่โกรดนี่ทุกนะแต่ว่ามันไม่ัมนไม่ยอมที่จะจะดึงจิตออกมาจากความโกรธนะขณะที่ร่างกายเนี่ยไม่ต้องสั่งมันทนําทันทีโดนไฟโดนน้าร้อนนะโดนน้ําเนี่ยไม่ว่าที่มือที่เท้าเนี่ยมันรีบถอนทันทีเลย แต่ใจนี่มันกลับเข้าไปคุกคลาด้วยความเมาด้วยความเมามันมันในอารมณ์นะเสร็จแล้วก็โทษคนนั้นคนนี้ว่าทําไมพูดอย่างนั้นทําไมทํากับเราอย่างนั้นแล้วเราปล่อยใจให้ไปจมอยู่กับความทุกข์ความโศกความโกรธความแค้นทําไมทำแล้วมันได้อะไรนะความดันก็ขึ้นน้อยก็ไม่หลับกินข้าวก็ไม่อร่อยฟังเพลงก็ไม่เพราะนะนั่น ปัญหานี้มันจะไม่เกิดนะถ้าเกิดว่าเรากลับมาดูใจของเราแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะทเราก็จะเห็นว่าโอ้ใจมันกำลังทำกำลังทาร้ายตัวเองกำลังซ้ำเติมตัวเองสติมันช่วยทำให้ใจเนี่ยถอนออกมาจากไฟโทสะถอนออกมาจากความเศร้านะเคยสังเกตไหมเวลาคนเศร้าเวลาเสียใจเนี่ยชอบฟังเพลงแบบไหนนะเพลงสนุกไนหะเพลงมาร์ชไหมเปล่านะ ชอบฟังเพลงเศร้านะมันยิ่งคลุกเคร้าอยู่ในความเศร้ามันก็จะจมอยู่ในลุมแห่งความเศร้ามากขึ้นความโกรธก็เหมือนกันนะยิ่งโกรธใครก็จะยิ่งถึงความไม่ดีของเขานะเขาา จ, จะเคยทําไม่ดีกับเราไม่กี่อย่างนะแล้วก็ผ่านไปหลายปีก็เก็บเอามาคิดอยู่นั่นแหละไอ้ความดีที่เขาทานี่มีมากมายนะไม่มองไม่เห็นแล้วนะพอยิ่งคิดยิ่งคุยก็ยิ่งทุกข์ยิ่งแค้นยิ่งโกรธ แล้วก็ไปโทษเขาว่าเป็นพ่อเขาเนี่ยทำให้เราทุกขนะ์นะนการเจริญสติเนี่ยนะการการภาวนาเนี่ยคือการทวนกระแสนนะทวนกระแสนิสัยความเคยชินของจิตนะจิตมันชอบทำโน่นทํานี่ก็ให้มันอยู่นิ่งมั่งให้มันอยู่นิ่งมั่งนะมันชอบแบกก็ให้มันวางมั่งนะมันชอบส่งจิตออกนอกก็ให้กลับมาดูใจมั่ง การปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเปลี่ยนโหมดแล้วก็ว่าได้นะจากโหมดหรือความเคยชินเดิมๆที่เราใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยมันกลับนะร้อยแปองศาเลยนะความสุขที่เกิดจากการมีการได้การเสพเนี่ยพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะพาเราไปพบกับความสุขอีกแบบนั่นคือความสุขที่เกิดจากการสละไม่ใช่เกิดจากการได้การมีการสะสมแต่เกิดจากการสละัก นั้นพิจาราดูดีๆนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการการทวนกระแสนะการพลิกการเปลี่ยนโหมดนะความเคยชินของจิตนะมันไปคนละทางกันเลยนะซึ่งมันทําให้เกิดนะเกิดการเปลี่ยนชีวิตได้นะพอพลิกจิตเนะี่ยชีวิตมันก็เปลี่ยนได้แต่ถ้าปฏิบัติแบบไม่ยอมพลิกจิตเลยนะยังทำตามความเคยชินเดิเดมๆนะ และจะหวังว่าชีวิตจะเปลี่ยนนี่ยากนะมันต้องกล้ามันต้องใจถึงที่จะต้องพลิกนะเปลี่ยนทวนกระแสนะจิตมันชอบทำอะไรเนี่ยต้องพลิกไปไปอีกทางหนึ่งนะมันยิ่งเจ้าคิดเจ้าแค้นก็ยิ่งต้องเมตตาต้องให้อภัยมากขึ้นนะมันยิ่งเอาคิดจะเอานี่ก็ยิ่งต้องสละยิ่งต้องให้มากกว่ายิ่งกว่าเดิมมันยิ่งแบกก็ยิ่งต้องปล่อยต้องวางมันยิ่ง ชอบท่องเที่ยวยัิ่งต้องฝึกให้มันนิ่งบ้างนะยิ่งมันชอบหนี จ, ออจากออกจากตัวเองเท่าไหร่ยิ่งต้องฝึกให้มันอยู่กับตัวให้มากๆนะจะตามใจมันนะตามใจมันในทจริงก็คือตามใจกิเลสนั่นแหละแล้วก็ชีวิตก็จะไม่เปลี่ยนนะจิตใจก็จะไม่พัฒนาเลย